ธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เหมาะสหรับการมีชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็จะเป็นต้องใช้กับทุกๆคนด้วยที่จริงมันมีหลายข้อหลายคำว่าเราเลือกไว้ข้อหนึ่งวันนี้จะเลือกในหัวข้อที่ว่าความอดทนความอดทนหรือคันติอันนี้เป็นธรรมะที่สำคัญสำหรับจะใช้กับทุกๆ ท, ท่านเลย ถ้าเราไม่มีความอดทนได้ยอย่างเดียวเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นถือว่าความอดทนเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับทุกชีวิตเช่นว่าอดทนต่อความเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บไข้อย่างเงี้ยมันจะมีทุกขเวทนารุนแรงมันเป็นสภาพของความทุกข์ความเจ็บปวดเนี่ยเป็นทุกขหรือ ว, ว่าทุกขเวทนานี่เราต้องรู้จักอดทนอดทนกับการเจ็บปวดโดยที่ไม่ บ่นไม่ร้องอดโอยให้เป็นที่น่าราคาญของคนใกล้ตัวเนี่ยแล้วความเจ็บปวดก็จะรุนแรงขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาร้องอดโอยออกมาเนี่ยตัวเราเองก็จะลําบากแต่ดีความเจ็บปวดจะลดน้อยลงกับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยว่าความเจ็บปวดเนี่ยถือว่าต้องต้องอดทนแล้วก็ทนให้ได้เนี่ยแล้วก็ความหิวเนี่ย อดทนต่อความหิวความกระหายความหิวความกระหายเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเราต้องรู้จักที่จะอดทนอดทนต่อความหิวกระหายเนี่ยซึ่งเป็นสภาพที่เป็นความทุกข์อีกข้อหนึ่งก็คือความอดทนเกี่ยวกับเรื่องความร้อนความหนาวเรื่องของอากาศซึ่งเราห้ามไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราก็กลุ้มไม่ได้ มันร้อนเกินไปเราก็เป็นทุกข์มันหนาวเกินไปเราก็เป็นทุกข์จะหาความเป็นพอดีนั้นยากมากนอกจากเราพยายามที่จะแก้ไขแก้ปัญหาตัวเองนั้นก็ไปอย่างนึงแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้มันร้อนเกินไปก็ต้องรู้จักอดทนมันหนาวเกินไปก็รู้จักอดทนคนเพื่อใครคนเพื่อตัวเราเองนะั่นแหละอันนี้จะเป็นส่วนของร่างกายที่เราต้องเจอนะ จะป่วยไข้หรือไม่ป่วยไข้ก็ต้องเจออาการแบบนี้แหละนี่เจ็บปวดหิวกระหายร้อนหนาวเนี่ยต้องเจอทุกๆคนคืออยู่ว่าใครจะทนได้แค่ไหนอันนี้เรื่องจิตใจคือต้องอดทนต่ออารมณ์ของกิเลสที่มันบีบคั้น ม, มันไม่ได้ยังใจมันบีบคั้นจิตใจเราไม่มีสิ่งที่ขัดใจเราอันนี้เป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งนั้นแหละกิเลสมันพยายามที่จะขัดใจเราอยู่เสมอเสมอ มันพยายามจะทําในสิ่งที่มันต้องการแต่ในความเป็นจริงนั้นบางทีมันทําไม่ได้มาเลยบิดขันใจเราให้เจ็บปวดคือความไม่ได้ดั่งใจนี่แหละนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสที่อยู่ในใจเราเราต้องรู้จักอดทนอดทนต่ออารมณ์พวกนี้แต่ส่วนความอดทนทางด้นจิตใจเนี่ยถือว่าสําคัญมากเนี่ยพระเจ้ากล่าวไว้ว่าขันติคือความอดกลั้นอดทน เป็นธรรมที่เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะเราต้องอดทนต่ออารมณ์กิเลสที่มันบีบคั้นจิตใจเราเราต้องรู้จักอดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้ถ้าเราอดทนแล้วก็ทนให้ได้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ของเราหลายๆด้านอย่างเช่นว่าทําให้เรามีกําลังใจมีความกล้าหาญถ้าเรารู้จักอดทนนะเราจะมีกําลังใจมีความกล้าหาญ แล้วก็ความทุกข์ที่มีมากนะก็จะลดน้อยลงไปเองบางทีทำให้เราเกิดภูมิต้านทานทางจิตมากขึ้นหรือมีความแข็งแกร่งเนี่ยทางด้านร่างกายและจิตใจเรามีความแข็งแกร่งแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นและที่นสำคัญคือถ้าเราอดทนเพื่อตัวเราแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขเพราะเราสามารถทันในสิ่งที่ที่เป็นความยิ่งใหญ่สาหรับตัวเราโดยตรงเลยนมันจะเกิดความกล้าหาญเกิดความภูมิใจ อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นปลีกย่อยๆแล้วอีกอันนึ่งก็คือถ้าเราไม่หนีความเจ็บปวดไม่หนีความหิวไม่หนีความร้อนแล้วก็ไม่หนีอารมณ์ที่มันบีบคั้นจิตใจเราแล้วก็ไม่หนีความทุกข์นั่นแหละเราจะโชคดีเราจะเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากรูปนามขันห้าคือความทุกข์เมื่อร่างกายรูปนามขันห้ามันแสดงความทุกข์บ่อยๆเราก็รู้สึกเบื่อหน่าย เบื่อนายคลายความยินดีคลายความยึดมั่นถือมั่นเราจะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกันห้าเพราะว่าเราเห็นความทุกข์มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือเป็นการหลุดพ้นในทางธรรมหรือว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นส่วนทำให้เราเห็นธรรมได้เห็นทุกข์ต้องกเห็นธรรมแต่เราต้องเห็นแบบรู้จักอดทนสักบ้างล้วก็จะรู้ความจริงของตัวเรา